เซขปฏิปทาธรรมิกถาก่อนฟาสางวันที่ส5หมกราคมพศส5งพ้าเจเรื่องธรรมะปริยาคขถาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเพืธอทความสดชื่นจำใส ความหายมัวเงาเขาหนองความสงบเยือเย็นแห่งใใจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบะกเกินมีแต่ท่านทั้หลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้าไมตัวอื่นยังเปิดครั้งอยู่ ก, ก็ดับไฟให้หมดมันดูดกัน <c oughs> <c oughs> เวลาของเราร่วงเลยมามากและยังเหลือน้อย ตามหมายกำหนดที่เราจะได้มาประชุมกันที่นี่ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะหมดไปสิ้นไปเดินทางมาค่อนค่อนทางแล้วเวลาของเรามีน้อยมีเพียงไม่กี่วันถ้าผู้ที่ไม่ประมาทก็ได้รับประโยชน์ ถ้าประมาททำเล่นๆหงมไปบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีถ้าไม่ได้ซะเลยก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทบทวนสอบสวนขบวนความกิจกรรมพฤติกรรมที่เรากระทำมาเป็นการศึกษาแบบบูรณาการ ตรวจสอบทวงดุลงบดุนปิดบัญชีงบดุนว่าขาดทุนหรือได้กำไรไปเรื่อยๆจึงจะได้รับประโยชน์เพียงพอเราเก็บ ข้อมูลกันมาสามวันสี่วันห้าวันเก็บตรวเองอบดาตตามานานแล้วโดยใจมันเละเลือนมันจะสับสนจะต้องมาคอนคู u ชั่นมาสรปุปประเด็นแล้วก็ขยายความต่อไปเป็นขมวดปมเข้ามาซักก่อน พอจับประเด็นข้หมวดพรมขงมัแล้วก็เก็บดาต้ากันต่อไปถห้มันเป็นระบบเราได้เคยพูดแล้วว่าเราจะประสาน ร, ระบบประสานหลักสูตรประสานแนวทางของการศึกษาทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกให้ได้ประโยชน์เท่าที่เวลาเรามี สามสี่วันที่ผ่านมาเราเก็บดาท่ามามากข้อมูลมามากแล้วแต่ควยจะหลงประเด็นก็เลยต้องสรุปเพื่อจะขยายความต่อไปอีกความเรือ ว, วันสองวัน บทพระธรรมที่เราสวดสาธยายมาเมื่อกี้นี้จะเป็นบทสรุปเรื่องการศึกษาของพุทธศาสนาคำสอนของพุทธศาสนาทั้งในแง่มุมเทคนิคและวิชาการตลอดทั้งข้อวัดปฏิบัติแนวทางเป้าหมาย <c oughs> ถึงแม้ว่าพุทธศาสนาของเราจะมีคำสอนมากมายว่ากันว่าแบบอนเนกสังขยาแปดหมึ่สี่พันพระธรรมะขันธ์แต่จะมากกว่านั้นหรือจะน้อยกว่านั้นก็ตามจะแปดล้านสี่แสนแปดโกศีเกก็ตาม มันจะเป็นการรวงลงที่ที่เราสวดมาเมื่อกี้หนึ่งสิบวันร้อนเลเนอร์คลอดเสคขับปฏิปทาอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้หรือจดจาได้นในเรื่องนี้ก็ไม่ขาดทุนเลยจะเห็นเป้าหมายและทิศทางขบวนการถึงการศึกษาในภพมาจารย์ในศาสนานี้ ที่คับที่ฟังกันสวนมาเมื่อกี้นี่มันเป็นคำตอบเกี่ยวกับชีวิตที่พุทธศาสนาแนะนำท่าสอนมาเป็นการศึกษาชีวิตทั้งระบบให้คำตอบว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไร และชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะกระทําอย่างไรกับมันตาไม่ดีเดี๋ยวถูโทษขอปรับกันคำตอบทั้งหมดอยู่ตรงนี้เพราะว่าการศึกษาแบบระบบไตรสิขาหรือว่าเซขาปฏิปทานนั้น เป็นการศึกษาลงไปในตัวของชีวิตทั้งชีวิตทั้งระบบเป็นการพัฒนาชีวิตมนุษย์ธรรมดาคนธรรมดาให้เป็นอริยะชนอริยะเจ้าไปจนถึงฝั่งแห่งวาตถุสงสารนี่คือคือฝ้าฝั่งน้องคือพระนิพพานอยู่ในนี่ทั้งหมดครับแล่เราก็จะได้เอามาตรวจสอบตรง พอตัวเราพัฒนาไปถึงไหนขาดทุนหรือได้กำไร <c oughs> มันขาดทุนหรือมันได้กำไรเราจะได้ปิดบัญชีงดงบดุลตลอดเวลาที่เรามาศึกษาในแนวเซค่ะปฏิปทาครั้งนี้กลับไปถึงวัดถึงวาถึงบ้านถึงท้อง เอาสิ่งที่เราสวนไปมึ่อี้นี้ไปตรวจสอบ ว, ว่าเราจะขาดทุนหรือร่ากันไรเข้าใจขนาดไหนถ้าเข้าใจในระบบนี้ก็ชื่อว่าไม่ขาดทุนเลยที่เราสวดมาเมื่อกี้เราเนยได้ยินคาว่าอารียะติสาะมิเทวะอัตนโน ย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ส่วนแล้วคิดไปด้วยนะครับไม่ใช่ส่วนเปล่าๆบทส่วนในบทนี้ไม่ใช่มันจะอยู่ที่แห่งเดียวกันหลายซอกหลายมุมหลายหลืบหลายชั้นในพระไตรปิตกไปแค่ไขออกมาร้อยดวงเป็นพุ่มพวง เป็นบทสวดเรียว่าธรรมปฏิยา ย, ยาคาถาเป็นถ้อยถ้อยคําของนางภิกษุณีบ้างของพระภิกษุพระมหาเทระฝ่ายพระอาหารหันต์บ้างของพระธรรมตระพุทธเจ้าบ้างเห็นว่ามันเป็น p r o c e เส็เนมันเป็นระบบดีเป็นกรรมวิธีดีอามาร้อยดวงให้เห็นภาพน่าจะเรียกว่า ธรรมรัตนมารีพวมอะไรแห่งพระธรรมอันประเสริฐเพราะถูรอยมัน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้อยู่แห่งเดียวกันดึงจากตรงน้นบ้างดึงจากตรงนี้บ้างซึ่งเป็นส่วนมากก็จะเป็นคำสอนของพระศาสดาพระริยาเจ้าทั้งหลายบางองค์ท่านก็เปลงอุทานมาอยู่ตลอดในเรื่องเหล่านี้ก็เลยร้อยรวมไว้ไม่มาก แล้วก็ไม่น้อยตอนแรกจะบอกให้เรารู้ว่าชีวิตคืออะไรต่อมาจะบอกว่าชีวิตเป็นจากอะไรและต่อมาจะมีคำถามตามมาว่าชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไร ได้มีคำตอบตอบตอบต า, บตามมาว่าควรจะทำอย่างไรกับชีวิตนี้และจะทำอย่างนี้จะทำด้วยวิธีใดด้วยความเมื่อประมาทกิจทั้งหมดนี้อันบุคคลจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ด้วยความไม่ประมาทมามมมาทุกเมื่อเท่านั้นแหล ดังนี้ไฟนุน่นมันอมความได้ชัดเจนเกิดจะไม่ต้องอธิบายแต่ถ้ามาเข้าใจอธิบายในเรื่องนี้วันนี้ไม่จบเรามามองดูชีวิตซะก่อนเนาะยมกังนามรูปัญจะอโภนโยยะนิสสสิตาเอเกตมิงพิจมานสิุิโภพิชันติปิจิาิชีวิต สองด้านความเป็นอยู่ความเป็นไปเป็นหน่วยรวมของความเปลี่ยนแปลงสองหน่วยแบบใหญ่แบบย่อยห้าแบบใหญ่ใหญ่เป็นเป็นสองหน่วยหน่วยหนึ่งเรียกว่ารูปหน่วยหนึ่งเรียกว่านามมีแต่ชื่อที่ว่าจะมากันนามรูปัญจัก อุปวรโยยะนิสสาสิตาเอกัตมิญพิจมานสิกโชันติปัจญาตินามและรวปคือกายกับใจทั้งสองอย่างนี้รวมกันเป็นตัวชีวิตอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลาย ทั้งสองฝ่ายก็จะสลายไปด้วยกันกายแตกแตกกายทำลายขันกายจะสะเพทางประมรานานะชีวิตะอุธรรมปริยาธานาเมื่อแตกกายทำลายรูปขันแล้วนามขันก็แตกสลายไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยไปคนลที่คนละทางอันนี้เราจะเห็นว่าภาพ ภาพรมของชีวิตมองเป็นอย่างนี้ถ้ามีแต่กายไม่มีจิตใจไม่มีส่วนนามส่วนวิญญาณก็เป็นศพเป็นขอนภาษาอีสานว่าขอนยังฆ่าื่องเดียวถ้ามันรวมกันจึงเรียกว่าเป็นตัวตนเป็นคนและสัตว์นี่ชีวิตเป็นอย่างนี้และชีวิตนี้มีเงื่อนไขนะครับอย่าประมาท สภะสะตามริสันติมรณะตังหิชีวิตตังสัตถางหลายถางสิ้นจกต้องตายเอาเงื่อนไขของชีวิตมาโชว์ไว้ต่อหน้าให้เห็นซะก่อนปะตายนะแม้คุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ตามชราปีปตวามลนงังเอวังธรรมหิปานิโ น, โนแม้จะอยู่ได้ถึงเท่าถึงแก่ถึงชรา ก็ต้องตายสตั้งหรายจะเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาอ้าวอยู่นานเขาก็เลยแก่แก่ถึงที่สุดก็ต้องตายเป็นเงื่อนไขของชีวิตเริ่มเกิดมาจะมีความตายซ่อนตัวอยู่มรณะธรรมโมหิชีวิตเต๋ ความตายซ่อนตัวไว้ในชีวิตฟังให้ดีนะฟังแล้วคิดเมื่อตายชีวิตตะทะโมหิหมดหมรณะชีวิตก็ซ่อนตัวอยู่ในความตายนั่นมันกับความตายซ่อนตัวอยู่ในชีวิตความแก่ซ่อนตัวอยู่ในความ ชาาธมโิหิโยพิมพันเยความแก่งงอมชาาภาพซ่อนตัวอยู่ในความหนุ่มนี้แล้วจะประมาทนะนี่คือเงื่อนไขอโรขยะพญ า, าที่ธรมโหิอโรขยยความมีโครคภัยไข้เจ็บโรคขาพยาธิซ่อนตัวอยู่ในร่างกายที่ที่ทไรโรคที่ปราศจากโรคในขณะนี้ มันยังพันเขินซื้อมันมันหลีอยู่ในนี้กันปะทางมรดิคือเงืนะ่อนไขนะยะเรืมเงื่อนไขของชีวิตนะตื่นมาจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอันนี้บางทีท่านให้เอามาเป็นกรรมฐานเรียกว่ามรณานุสติให้เราลึกถึงความตายทุกเมื่อคือเราเราลึกถึงเงื่อนไขของชีวิตและทั้งหมดรี่มันอาศัยกันตาย เป็นเรื่องของรูปประธรรมเป็นเรื่องของของรูปส่วนนามคือวิญญาณจิตใจนั้นตายไม่เป็นถ้ายังมีเยื่อใหญ่อยู่มียางอยู่มันจะไปเกิดอีกจนกว่ามันหมดเยื่อหมดใจหมดยางหมดสิ้นกระแสที่มันจะไปเกิด และมันก็จะตายเหมือนกันการตายของจิตใจของวิญญาตทั้งที่ว่านิพพานแปล ว, ว่าดับดับอะไรดับเชื้อดับยางดับกิเลสดับอุปทานดับขันดับทุกไมนมีทุกตั้งอยู่จะไปตั้งอยู่ที่ไหนขันก็ดับ กิเลสก็ดับอุปทานก็ดับอวิชาก็ดับวิญญาณนั้นก็เลยอัศสสดงนะไปอย่างนั้นนี่ความเป็นไปของฝ่ายนี้คำถามที่บอกว่าชีวิตคืออะไรก็คือที่เราพูดมานนี้แหละส่วนประกอบหน่วยรวมของความไม่เที่ยงแท้ความเปลี่ยนแปลง หน่วยใหญ่คือนามกับลูกเป็นหน่วยนียห้หน่วยใหญ่หน่วยย่อยเอวังขันทาจะทาตุโยชะจะอาจตนาอิมิขันทั้งห้าและท่าทั้งหลายอาเจตนะทางของนี่ก็เหมือนกันลหลยเฮตุงปฏิจจสมภูตาเฮตุพังคาเนโรชเชรอาใสยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนี้แต่สลาย ทั้งสองฝ่ายก็สลายไปนะเพราะนั้นอาจารยเห็นว่าชีวิตเป็นไปอย่างนี้มันไปอย่างนี้นะแล้วไปย่างนี้ไปอย่างไงต่อไปดูเขาไปอีกหลายที่ยจะมีพระมองชีวิตสองด้านสองภาพท่านชี้นำะใ้เห็นชัดเจน ทั้งภาพภาคที่เป็นรูปประรมและฝ่ายที่เป็นนามธรรมฝ่ายรูปท่านเชื่อเราเราเห็นส่วนประกอบเมื่อรถคันหนึ่งยะถาปิอังคสัมภาราฮิอหคสัมภารา เปรียบเหือการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถจึงมีขึ้นได้รถคันหนึ่งมีส่วนประกอบความจริงไม่มีตัวรถอันนี้หมายถึงร่างกายเราเปลี่ยนเทียงเทียทางนี้มีล้อมาใส่นี่คัสีทำเครื่องยนต์มาประกอบเข้าทาตัวถัง สิ่งละนี้ประกอบวัเข้าเป็นรถเรียกว่าอังคสัมภาราโหติสัตโธรัโหอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังขันเทสุสันเทสุโหติสัตโตติสมมติ mm hmm. เมื่อขันทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกัน รูปนี้เวทนานิสัญญาสังขารวิญญาณการกับใจนี้รวมกันคำสมมุติว่าคนและสัตว์จึงมีขึ้นได้นี้ส่วนประกอบของฝ่ายนามของฝ่ายรูปธรรมชีวิตฝ่ายรูปธรรมฝ่ายวัตถุฝ่ายฟิสิดีเป็น body งนี้ และยังชี้ละเอียดลงไปอีว่ายศฐาหิอันนี้ตารางพิชังขเข ต, เ ว, ตวุฒามิธุหันติอันนี้เปลี่ยนเหมือนฝ่ายทางจิตใจทางวิญญาณคือมันมองไม่เห็นมลละเอียดก็ต้องอาศัยการเปลียนเที้ยวอุปมาอุปมานี้เรายกขึ้นมาเองโหรยาหบอกอุปมาขอพิคุเวอุปมาอันนี้พิจารณาเรายกขึ้นเอง เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดอธิบาลเนื้อความไม่ให้เห็นเธยถาปิอันจะตรังพี่ฉังเคเ ต, เตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผงดินจะงอกขึ้นได้งอกขึ้นเพราะอะไร ปทวีราสเนจะอาคมะสิเนหันจะตะทูฟยังเพราะอาเซอุณาภูมิคือรถแห่งแผ่นดินปุ๋ยในดินน้ําในดินความอุ่อุ่มชุ่มชื้นในดินอาศซิรถแห่งแผ่นดินอาเซิร ถ, รถแห่งแผ่นดินอย่างเดียวไม่พอและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้น ปทวีรันจะอาคมมะสิเนหันจะตะโทพยังอะไรคือสิเนหันจะคำว่าสิเนหานั้นคืออย่างภาษาบาลีเรียกพิเศษคำนั้นคือคือคำว่าสิเนหา สเสน่หานั้นคือยางย่างต้นไม้ก็คือยางของต้นไม้แต่ยางของมนุษย์เราเนีย่ยยางในจิตในใจเราเนี่ยเ่วสเสน่หาอะไรคื อ, อยางของมนุษย์ถ้ามนุษย์มียมอย่างมียางอยู่ยางในในเยื่อใยในจิตในใจอยูจ่จิตใจนั้นไม่ตายจะไปเกิดอีก แต่ถ้าย่างนั้นเหงแห้งอย่างไม่เข้มแข็งอย่างยางมีน้อยก็เกิดได้น้อยถ้าอย่างบริบูรณ์เข้มข้นก็เกิดไวแล้วก็เกิดมากเรียกว่าเชื้อมือเมล็ดเป็นสมบูรณ์ถ้าข้าวรีบเอาไปหวานเอาไปแช่ทั้งวันทั้งคืนเป็ น, เ ป, นเป็นข้าวโปกก็ไม่งอก เอาไปหวานก็มันเกิดเป็นก้าก็มันมองอกขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันยังมียางอยู่ภายในตันหาสินิโโหตันหาคือยางเหนียวเหนียวทันไหงตันหาคือยางเหนียวเหนียวกัมมังเขตัง กรรมที่ประกอบกระทำด้วยใจด้วยวาจาด้วยกายด้วยกายด้วยวาจ า, ด, วว า, จาด้วยใจกรรมเหล่านั้นเป็นเสมือนแผ่นดินเคตังไวยหนาปิญญาังพิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพิชังพิชังไปว่าพืชที่เราเรียกพืชพืชแต่ เ, เราทับับภาาบาีมานะบริะีะแใจว่าพิชังมาถึง ถึงภาษาไทยแปลงเสลีเป็นส ร, สรอือไม่ได้แปลเลยแปลงเอาเพือสมบัตน่อยลบนี้ขยิดอ่างออกกับข้างบนของชอของของชอช้างเป็นพืชจากพิชังเป็นพืชอันเดียวกันนั่นแหละแปลงไม่ได้ไม่ได้แปลวินยาหนังพิชัง วิญญาณซึ่งซ่อนอยู่ในในร่างกายฝ่ายที่เป็นมหาภูรโลูกนี้เปรียบเสมือนเมล็ดพืชกำมังเขตตังกรรมที่ประกอบกระทำด้วยใจมนวกรรมขึ้นมาก่อนแล้วมาสู่าจาแล้วมาสู่กาย เรานั้นจะฝังลึกแน่นลงไปน้ำแน่นลงไปจนจนเปกายเป็นความเคยชินชินดีก็เป็นวาสนาดีชินชั่วก็เป็นวาสนาชั่วมันมาเกี่ยวโยงกันถึงวาสนาแล้วเราพูดอยู่ว่ามาที่นี่มาฝึกมาหัดมาพัฒนาจานตรงนี้ไม่ได้อะไรให้มันได้วาสนาที่มันดีมู่นวาสนายีคือกรรมที่มันดีหยุดฝังลงไปกลายเป็นความเคยชิน ฟังลงไปในลึกลงไปนในในวิญญาณนั้นจะได้พันพืชคือพาพันุนห่วิญญาณที่ดีนั่นแหละวาสนาจบอกว่าวุวาสนาปริปากังป a r a m i t เมืม่อวาสนาดีงามแล้วก็จะบ่มอบร่ำบ่มเพาะบารมีนี้ให้สุขงอม ปริปากังมันเป็นระบบจริงๆนะฟังให้ดีสุกงอมมมชชเรชันพร้อมที่จะยังโพธิาณให้อุดมโพธยญาณนังปริปุรีนติโพธิาณนั้นอุดมแล้วก็สามารถาำรกกิเลสสิ้นทุกโดยชอบตอนนี้ก็ดับพันละสูนพันละเอสซินชันละงมังงอมันสุขพร้อม วิญญาณมีมีมีมมตัณหาอยู่ตัณหาฟังไปในวิญญาณจึงเหมือนเมล็ดพืชที่ยังมีอย่างวิญญาณนังพิฉังตัณหาสินเนหอวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาเหมือนด่างเหนีย ว, นยวในเมล็ดพืชกรำมังเขตตัง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาจากใจนั้นเป็นเปลี่ยนเสมือนแผ่นดินเป็นไรเป็นนาให้พืช น, นั้นงอกขึ้นมานี่เรามองให้เห็นตลอดสายของการพัฒนาชีวิตที่นี้กายกับใจเมื่อเขาอาศัยกันอยู่เมื่อฝ่ายดังฝ่ายแดงแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็แยกทางกันเดิน กายทิ้งปไปในโลกนี้คนที่ยังปเป็นนอยู่ก็จะเอากายนี้ไปเผาไปฝังแต่วิญญาณจิตใจนั้นไม่มีใครฝังมันได้ไม่มีใครเผามันได้มันจะไปตามกระแสะกระแสะของมันมีวิญญาณโสตังณนะอุพโชินังสังสารสังสาระปริวัติตันติ เมื่อกระแสะแห่งวิญญาณยังไม่ขาดสิ้นโดยส่วนสองก็จะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้สัตว์นั้นก้อนนี้จะไม่พ้นนัปริมุตโตจักชาตังมรณนังยังไม่พ้นไปจากความเกิดความตาย พกกระแสยังอยู่ญานยังมีอยู่จะต้องไปตามกระแสนั้นกระแสนี้มีสองกระแสจริงว่าอุปโภอุปโภคปว่าทั้งสองชิ้นทังณนะอุปโภชิ้นทังสังสาระปริวัตติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนสอง ส่วนสองมีอะไรบ้างเราสวดป่าเมื่อผู้ที่ตายไปตรงนี้จำให้ดีเข้าใจให้ดีมันนี่คือคือตัวหัวเลี้ยหัวตอกระว่างชาตินี้กับชาติต่อไประหว่างสิ้นที่ตายเห็นแล้วตามองไม่เห็นเราจะถือเอาประโยชน์ตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันถือเอาประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้สอบตกมด ไม่ได้เป็นบันทิตจอกเป็นบันทิแต่ในกระดาษพวกมหาจุฬาทั้งหลายก็ดีไม่อว่าจะเป็นอรปริญญาตรีก็ตามตามปริญญาโคก็ตามถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากตรงนี้ได้เมื่อเราไปสอบได้ก็ได้แต่กระดาษไปประกาศเราไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์ได้ อาทิติสารมิเทวะตนนที่ออบประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้เพราะคำว่าบัณฑิตของเราในที่นี้ในการสอบในการเรียนในขณะนี offering, so no, so ้แบบไตศิขาแบบเทขปริปธาแบบเจรณะสิบห้าน so ี้วัดผลของความเป็นบัณฑิตอยู่ตรงนี้อปมตโตอุปขเทอาทิกันหาหีบัณฑิตต ฮิตเถหะมิจะโยอัโตโยจัทสัมปราจโกอัทภาพิสมัญญาทิโรบันฑิโตติปวุจติผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเทือประโยชน์ทั้งสองได้อุโภอัตเถอธิคันหาฮิปหิตดิโตบันฑิตจะต้องเถือประโยชน์นี้ได้ทั้งสอง อุโคง่ายๆที่สุคือประโยชน์ที่ตาเห็นและประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นประโยชน์ในชีวิตนี้และประโยชน์ในชีวิตหน้าเมื่อกี้เราสวดมาถึงบทปาทั้งหมดนี้ม า, ม า, ม า, มาสวดบทสรุปปาอุโพคุณเย็นจะบปาปัญจดังมจกกุลิเตอีทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทําบุญและบาปได้ๆในโลกนี้แล้วตันหีตสสะสังโหติออตันกะอาหายะขะชะติ บุญและบาปนั้นแหละจะเป็นของงองเขาผู้นั้นโดยแท้เขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจะสะอนุขางโคติตันจะอาธรรยคัจติบุญและบาปนั้นแหละถ้าไม่เข้าใจไม่เือไม่ได้สอบตกทั้งนั้นจบ สิบปริญญาก็ตกปริญญาทางโลกไม่ได้ปริญญาทางธรรมเลยทางพุทธศาสนาเลยมันล้ําลึกตอนนี้เราจะเห็นหัวเรียวหัวตอขั้วตอมันอยู่ตรงนี้ตัวที่ยังมีชีวิตเป็นๆอยู่จะเทื่ยประโยชน์ถึงเวลาต่อไปในชาติหน้าไหมในตาทึบตามองไม่เห็นไหมเพราะสิ่งที่จะมีในวันหน้ามันก็สืบต่อไปตั้งแต่วันนี้จะดีจะงามจะชั่วจะเรวสามในชาติหน้ามันก็ต้อง ออกไปตั้งแต่ชาติหนึ่งเหมือนพรุ่งนี้มันจะต่อไปตั้งแต่วันนี้เหตุในวันนี้จะส่งผลไปถึงวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ดีๆก็สแสดงถึงเหตุที่ได้กระทามาตั้งแต่เมื่อวานมันเชื่อมโยงกันอยู่อย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเรารู้ว่าชีวิตเป็นเช่นนี้ และเรารู้ต่อไปว่าชีวิตหลังจากไปเช่นนี้มันจะเป็นอย่างไรหลังจากตายมันจะเป็นอย่างไรถ้าจงให้เราเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยการพัฒนาคุณทาขึ้นมาพัฒนาชีวิตด้วยไตรสิกขาในที่นี้จะบอกว่าเมื่อผู้ที่ตายไป ทาบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละจะเป็นของของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาจะได้รับบุญได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นแหละจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันั้นเขาจะปฏิเสธไว้ไม่ได้จะเอาแต่บุญไม่เอาบาปไม่ได้ถ้าเขาก็ทาเขาจิงต้องพัฒนากรรมพัฒนาการกระทา การกระทำทางใจก็ับการกระทำทางกายทงางวิชาการตอพัฒนาละทิ้งกรรมชั่วพัฒนากรรมดีให้เกิดขึ้นคำสั่งสองส่วนใหญ่ในพุทธศาสนาจึงมีอยู่สามประเด็นใหญ่สัพพปาปะสะาการนังเว้นจากการทำบ่าวทำชั่วทำผองนี้คือการพัฒนากำรรกรรมชั่วไม่ทำไป การพัฒนาในหมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าทาให้มันมันมีอย่างเดียนะตัดทิ้งบางกฏามีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบถ้ามันมีมากมันไม่ดีตัดทิ้งถ้ามันมันไม่มีแต่เป็นสิ่งที่ดีที่งามก็เติมต่อเสริมส่งเสริมเติมต่อขึ้นอย่างผมยาวๆไปตัดผมภาษาราชาศัพท์จ้ะ เกสวัธนนองไปพัฒนาผมก็คมมือไปตัดผมนี่แหละแต่ที่มันว่าทีนี้ทํม า, า, มามันไม่มีก็ทามันเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันปารกปาดกปาดิบดองดำก็เรียกว่าพัฒนาจึงมีคำกล่าวว่านสิยาโลกะวัฒนนอ ถ้าแปลตรงๆว่าอย่าพัฒนาโลกอันนี้เคยเป็นปัญหามาแล้วอดีตท่านหมอมราชวงศ์ครือริปปาโมดเคยเขียนหนังสือวิจารณ์พุทธศาสนาท่านถึงอสัญญกรรมไปแล้วคงไม่เป็นไรว่าพูดถึงท่านบ้างตอนนั้นจะเร่งพัฒนาประเทศชาติเพราะว่าข้าวคาสองพุทธศาสนาเข้ามาใช้มันจะทวงมันจะรีถาด มันจะ่วงความเจริญของชาติเพระาะพุทธศาสนาบอกว่าไม่ให้พัฒนาโลกนสิยาโล ก, กับวัฒนนท์านก็หงจะแปลงออกมาได้แปลทัดเจทั้งแปลงออกหน้าเกยแต่ความจริงคำนี้มันไม่ได้หมายอย่างนั้นความหมายไม่ได้หมายความว่าอย่าพัฒนาโลกแต่หมายว่าอย่าเป็นคนรกโลกนางสาวลาอยู่ในฮกโลกซื่อๆผมมีคุณขาณ่าวคุณเงาคุณดียังนั่นนั่นแหละคือพัฒนาห น, นึง่งฮกมันก็ไปว่าพัฒนา ตัดทิ้งซะ บ, บ้างก็แปลว่าพัฒนามันแปลไปไปทั้งหวดทั้งลบความชั่วมันจะรกมันจะสร้างปัญหาแก่ชีวิตแก่สังคมทั้งช่วงช่วงช่วงสั้นช่วงกลางช่วงไกลต้องตัดตัดมันที่เกี่ยวกว่าสัพพะ ป, ปะภาษาการันต์เว้นจากการกระทำบาปกรทําชั่วทั้งปวงนี่นี่ระบบพัฒนาชีวิตนะ พัฒนาจิตแต่พัฒนาวิญญาณนะช่วงยาวตลอดสายกุสละสู้ประสัมปทาก็รทำแต่กูศลรทำกูงามความดีให้ถึงพร้อมนี่คือพัฒนาเราะตัดของชุ่วทิ้งและพัฒนาความดีให้เกิดขึ้นแต่ไม่พอไม่พอไม่พอพุทธศาสนาจะเป็นลนักษณะสเปเชียลตมันจะติดย่างนหนึ่ง บาปก็เป็นอย่างบุญก็เป็นอย่างกุศลก็เป็นอย่างกุศลก็เป็นอย่างเป็นสิเนหามั้งกันปาปะสิเนหายางแห่งบาปบุญยะสิเนหายางแห่งบุญเมื่อพัฒนาได้แต่ยางบุญก็คล้องอีกเมือนกันไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างบ่นเวียนอยู่ตรงนี้จะไม่จบนะ พ่อยังค้องอยู่จึงเราจรึงเป็นสัตว์ค้องตรง น, นั้นค่อมค้องบุญวิญญาณจะไปคล้องถึงบุญบุญอยู่ประครังโหที่วิญญาณหนังวิญญาณก็เข้าถึงบุญน่ะไปนู่นจึงไม่ให้เรา้จึงไม่ให้เราค้องนี่คือการพัฒนาชีวิตไปถึงที่สุดจุดจบของมันเป็นการจบการศึกษาจึงจึงจึงไปอาศัยข้าได้ ไม่เป็นผู้ต้องศึกษาเลยสุดท้ายก็ต้องมาครองครูชั้นสโลป ก, การการประพฤติปฏิบัติเป้าหมายพุทธศาสนานีือเปล่าสกิตะปริโยธา ป, ปนังเอิตังพุทธานาสะสนางชำระติดจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ข่าวรอบนี่แหละเป็นคำสั่งสอนในพุทธศาสนานตัวนี้หมายถึงว่าไม่ต้องให้มันคล่องอยู่ในบุญในบาปเพราะบุญและบาปนี้ เป็นเป็นเครื่องข้องของจิตใจของวิญญาณดังให้ตกลไปเกิดใ น, นดวัฏสงสารดอกจึงบอกว่าอุโพปุลยดังจะปาปันใจดังมัดจบกรุตอุเทอีทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้หลายแล้วบุญและบาปนั้นแรงแต่เป็นของของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเอาลยสิที่เมื่อได้ร้วมันก็ข้องจึงบอกว่า อุพโพสังขังนะปริมุชติยังไม่หลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งสองคือบุญและบาปก็จะต้องไปเกิดปวนเวียงอยู่ตรงนั้นวิญญาณสโสตังนะอภโภชินทังอุพโภชินตังสังสารปริวตัตติเมื่อวิญญาณยังไม่ขาดสิน้นกระแสหองวิญญาณยังไม่ขาดสิน้น จากเครื่องข้องทั้งสองยังไม่ตัดขาดจากเครื่องข้องทั้งสองก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนั้นพุทธศาสนาส่งไปไกลจนเกินที่จะมาข้องมาแวะม า, มาเกี่ยวอยู่ตรงนี้เป้าหมายอยู่ตรงโน่นตรงที่หลุดพ้นจากพัฒนาการจากเครื่องข้องในที่นี้จึงบอกว่าทำยังไงตอนสุดทายว่าชีวิตีจะทำอะไรที่จะให้มันดี แด้เจะรับผิดชอบจะพูดปฏิบัติอย่างไรต่อมันอาฟังให้ดีนะบัณฑิตนะสอบตกหรือสอบได้มามาตัวกันอยู่ตรงนี้มาที่นี่มีสิ่งหลานี้เพิ่มขึ้นมาไหมเมื่อพูดถึงพูดที่ตายไปได้ทำบุญแล้วบาปใดๆในโลกนี้แล้วเขาจะต้องได้รับบุญแล้วบาปนั้นแน่นอน บุญแลวบาวนั os, os tipo, meals, ia, ้นจะติดต <It> ่อตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นที่นี้มีมีมีมีข้อสรุปแนวทางปฏิบัติสร้างเกิดเกิดประโยชน์เพื่อจะได้ถืออาประโยชน์ประโยชน์เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตเอาประโยชน์ทั้งสองเพื่อจะได้เป็นอาทถิยติสารวิเทปัตตนง เป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ที่เรียกว่าอธิคันหาหิปันติโต่ะมันดีถือเอาได้ทำอย่างไรต้องพัฒนาคุณภาพชีวิ ต, วตว จ, จิตใจวิจารณขึ้นมาให้มันมีคุณภาพคุณสมบัติของวิญญาณมเมล็ดพื่นะเมล็ดนี้ถ้าจำเป็นจะต้องอยังคล่องอยู่ก็ให้มันคลอง ข้องยางบุญอย่าไปข้องยาบาปในนิ้จริงบอกว่านับดูนะไม่นับก็ได้ดูตามหนังสือเรานั่นแหละสัททานกะศีรังกะโยสถทายะสีเลนะ จาเคณนะสุตเตณนะปัญนณะสุตเตณนะจุพยังผู้ใดเป็นผู้เจริญด้วยศีลและเป็นผู้มีศรัทธาสะดับศึกษาอยู่ในการซึ่งอยู่ในการเสียสละคุณทำห้าประการนี้ศรัทธาศีลสุส ต, ตะจาขะปัญญา โซ่ตาที่โซ่สัพปปุริโซวิจักขณนองผูคลผู้เป็นสตัปุลษผู้เฉียบแหลงเช่นนั้นอาทิเกติสารมิเทวะอัตโนอยอมปผู้หรื่องอภโยยน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้เป็นโชคดีของเราที่ได้เกิดบางพบคำสอนเช่นนี้มีภาษาตราดาผู้แนะนำพร่ำสอนไว้เป็นเส้นทางเป็นมรรควิธีแห่งชีวิตดำเนินอันีงาน มาชัดเจนแล้วไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเสียเวลา ง, งมโคงไม่ต้องลองผิดลอนถูกท่านลองมาก่อนเราแล้วท่านจะเป็นมรคพิธีคือเส้นทางการดาเนินชีวิตที่จะไปถึงการถืออาประโยนย์แห่งตนไปได้โดยแท้ฟังดีนะทำห้าประการนี้มีชื่อมากในพระตริดอกมีชื่อเยอะเป็นเครื่องวัด กุเรียกหัวต่อของปุถุชนจะก้าวข้ามไปสู่ความเป็นอริยชนอริยะเจ้าผู้จะเป็นไกลห่างจากข้าศึกในวัตสงสารคือกิเลสเมื่อพัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้จะก้าวล่วงโคตของปุถุชนเข้าสู่แดนแห่งอริยชนทำเหล่านี้ท่านท่านเรียกชื่อวันปะอริยวัฏ ที่ทาทาที่จะยังพัฒนาบุคคลนั้นให้ระสูความเป็นระยชนห้าประการสถานกสถายะสถานยะเนี่ยนะว่าภาษาลาวภาษาอังกฤสิเลสเลนะะปัญญาเสถายะสิเลนะปัญญาเยตโยปวัตติ จากเคนะจะโยพวสติสุเตนะจูฟังมันมีอยู่ห้าคือสัทธาสินสุตะจาขปัญญาเรียนนะทมตีจะเห็นมากสัมปรายยิกระประโยชน์ประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นข้างหน้าก็ต้องอาศัยทำห้างประการนี้คิดว่าจะเป็นเช่นนะผมไม่ได้นรรมตีนะ แต่เห็นมันเกินในพระไตริฎกทำเหล่านี้มีคุณค่ามากพุทธเจ้าพูดมากที่สุดถ้าพัฒนาทำเหล่านี้เข้มข้นแเข้มแข็งขึ้นมาให้มันมีในจิตในใจใส่เข้าไปในวิญญาณให้เป็นยางของวิญญาณถ้าได้ห้าอันนี้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์พร้อมจะเป็นยางบุญไม่มีเวลาที่จะเคลื่อนข้อยตามต้อยคอยคืนลงไปสู่ความเป็นบาป จะเข้มแข็งแต่เมื่อห้าอันนี้สี่ตัวเข้มแข็งสมบูรณ์แบบปดออกไปซ ะ, ะตัวหนึ่งตัวนั้นที่มันเข้มแข็งศรัท ธ, ธาศีลจาคะปัญญาสี่ข้อนี้เข้มแข็งแล้วตัวที่ห้าตัวสุตะการสะดับตัดฝังตัดออกไปก็ได้ พอตัวที่ห้าวจะเป็นเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนเป็นวิตามินหล่อเลี้ยงศรัท ธ, ธาให้เข้มข้นขึ้นมั่นคงขึ้นสินมั่นคงขึ้นกาคเข้มข้นขึ้นปัญญาชัดเจนขึ้นเมื่อทำสีประการนี้พัฒนามาเพียงพออยู่ตัวแล้วตัวที่ห้าถูกตัดออกไปไม่ฟังก็ได้ไม่ต้องเกตเตเรงอกดาตาก็ได้ตอนนี้คอครูฉันแล้วสรุปได้แล้วว่า ถึงความแน่นอนในพัฒธรรมตันนี้เป็นสัธรรมสนิยามกังธรร ม, มังทำาป็นอย่างบุคคลนั้นถึงความแน่นอนในพัฒนธรรมอวิธิปาตาธรรมมมไม่มีวันที่จะต้องตกต่ำเนียโตเที่ยงแท้ซ้ำโพธิปรายโนจะต้องบรรลุธรรมเป็นพาะอราหันต์ซึ่งกิเลสในในเบื้องหน้าถ้าผูใ้ใดมีธรรมสีประการนี้พัฒนาขึ้นมาแล้ว จะเป็นคนที่มั่นคงจะได้ยินข่าวว่าคนไหนเป็นพระอาหารหันต์หรือมีมพระอรหันต์เหาะมาเป็นเป็นมือเหมือนนกมันฝูงนอกในกากาศโมเดลออซ่อนมันจะเป็นเองทำสี่อย่างนี้มันมีในในตัวและมันมั่นใจเลยว่าแม้เราเองวันหนึ่งข้างหน้านี้่าโตเที่ยงเถสร้ำโพธิปไราจานองจะมันมีทางที่จะต้อง จะต้องบรรลุทำแน่นอนในเบื้องหน้าเพราะคุณทำสีประการนี้เดี๋ยวมีชื่อไรอีกอย่างอีกอีกหลายอย่างมีชื่อว่าธรรมทาโซธรร ม, มปริยาโจกอากาคํานอัตนาวะอัตนาภยากรเลยยะเมื่อบุคคลมีทำสี่ประการนี้แล้วเหมือนมีมีแว่นมีกระจกซองดูทำในใจตัวเองท่านบอกวแว่นซองทำตรวจดูทำในจิจในใจตัวเอง อาการคำโนอัตนาวัตตนงังพยากเรเยะเธอย่อมพยากรตัวของตัวเธอเองได้เมื่อเราไปหาหมอดูที่ไหนมาบอกเมื่อต้องไปอาศัยเทวดาฟาดีที่ไหนจะมาเอื้ออานวยอุปกรณ์ให้เมื่อเราอาศัยอํานาจเบื้องบนเบนื้องล่างที่ไหนคุ้มอำนาจไหนสู้อํานาจทำไม่ได้แน่นอนมั่นใจว่าเรานี้ วินิปาตะธรรมโมไม่มีวันที่เราจะตกต่ำเอาเงินมาให้เราไปแสนก่อนให้เราไปทำชั่วเราทาไม่ได้เพราะคุณทำเรื่อนี้มันคุ้มคองแกเราอยู่จึงนี้จโตเที่ยงแทสัมโพธิปรายจันจะต้องบรรลุธรรมในเบื้องหน้าสิ้นกิเลสนาะเตปวะอธรรมม า, มาที่ยันติถึงแม้จะประมาณอยู่อย่างไรก็ตามจะเปพูดเกิดไม่ได้ถึงครั้งที่แปด ที่เราสวดรัตนสวดถึงเขาจะประมาทอยู่เพียงไหนแค่ไหนเพียงไรก็ตามเขาจะไม่พลาดราไปข้างล่างเขาจะมาเกิดอีกไม่ถึงพบที่แปดครั้งที่แปดนะเตภวังอัถฐมามาที่ยันติไม่มาเกิดอีกถึงถึงพบถึงครั้งที่แปดหมายความว่าจะต้องเกิดได้เพียงเจ็ดธาตุคือความเป็นพระโสดาบัน ตอนนี้แน่นอนเลยเบาใจได้ยังมีชื่อว่าอาสาสัพปัตตาธรรมทำที่ยังให้ทำบุคคลนั้นเบาใจในวัฏสงสารเบาใจได้ยังไงคนนั้นจะรู้เองว่าปัะชานติเอวังปัะชานติเขาจะทราบชัดเองว่าบัด น, นี้ขีนะนิยมเหนินารกของเราสิ้นแล้วขีนะปิติวิเศษยมเ เปรตวิสัยที่เราจะต้องไปไปเกิดเป็นเปรสิ้นแล้วไม่มีคีณาติรชานิโยโอนิกาเนิดแห่งดิรชานของเราสิ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะต้องไปเกิดอีกเพราะเราไม่มีความชั่วใดๆที่จะต้องไปที่นั่นเราเห็นอยู่การจะไปเกิดเป็นเปนเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกเรารู้ชัดว่าไม่มีโอกาส จะไปะเผชิญหนะ้ากับยมพราลที่ไหนก็ได้ยมพระ บ, ท, ระบทตนไหนก็คงไม่กล้าเอาคนอย่างนี้ไปลงในรกลุมไหนเขาจะเอาไปลงไปไหนกับตัวของยมพรบาบกัตัวโลก น, โนุ่งกันที่บริสัทมันมั่นใจขนาดนะั้นคำเหล่านี้นะถ้ายังให้เราพัฒนาขึ้นมาจึงบอกตอนที่ยังไม่ได้ถึงสี่ต้องเอาห้สธธ า, าสักนาศรัทธาอาศัยเลนะใจยโยปวัตติ สถายะศีเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีสถาปัญญายาจาเขนสุเทนะจูพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับเสดทาในการเสียสระโซตาทิโซสปุริโซวิจักขนงที่เราสอนเมื่อกี้นี่แหละความจริมันละเอียดมากมันมันเป็นสอบประสานกมกลืนกันดีเหมือนพวงมะลัยที่ถูร้อยด้วยช่าง อเสนเปานี่อันนี้ผมอยากจะเรียกชื่อใหม่ก็ได้ว่ารัตนมาลีรัตนธรรมมาลีผู้มาไรที่ร้อยรวมมาอย่างดีงามด้วยพระธรรมอันประเสริฐนี้อริยะใจทำอันนี้จะมีชื่อว่าอริยะใจธทําด้วยนะครับอริยะญยะธรรมห้าประการ ทมที่จะนำไปสู่ความออกจากไปเสียจากความทุกข์สู่ความพระอริยชนอย่างอริยเจ้าห้าประการที่นี้เราก็ลองมาตรวจสอบดูเรามีไหมทำเหล่านี้ถ้ามีก็มั่นแต่ได้ถ้ามันมีก็พัฒนาขึ้นมาได้เราต้องงยใจ ต้องใส่รถจะมารับแลยมั้งผมว่าวานนี้คงจะต้องเอาลวงล่วงแค่นี้ซะก่อนคอนครูชั่นลงแค่นี้ภาคบ่ายต่ออีกเพราะตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบงบดุลปิดบัญชีงบดุลว่าขาดทุนหรือได้กําไรที่เข้ามาที่นี่ตอนเย็นตอนบ่ายเรามาว่ากันดีว่าเราจะขาดทุนหรือได้กำไรมาตัวสอบดูเอาแว่นตัวนี้มาสองตัวแว้นสองหนา เบิงหูเห็นถนัดแต่บ่เห็นสา ญ, ญาเพจผีสังหายมีแต่สินสัทธาพร้อมปัญญาพร้อมจาข้านันเป็นแบนควมสวซดีแล่หายตัวเจ้าสิซองเห็นถ้ามีสัทธาสินจาขะปัญญาเหล่านี้จะมาส่องดูชีวิตได้ วาลาเมีบาปไหมเรามีบุญไหมเราจะไปตนกนรกไหมไปขึ้นสวรรค์ไหมมีแม่ตัวนี้ตรวจสอบได้ท่านจึงว่าทำมาถาโซทำมันปริญญายโยพีสู่างหลายทํานี้เปรตเสมือแม่นเปรตเสมือกระจกตรวจสอบส่องดูคุณภาพของจิตของแต่ของเสื่ามนามเกีแรติยศของเราให้ได้อากังขามโนอัตนาวัตนาพยาเกรยะถ้าเธอปัตนาจะรู้เธอย่อมพยากรตัวของตัวเธอเองได้ ว่าเธอจะตกนรกไ ม, ม่เธอจะไปสวัสด์หรือเธอจะไปที่ไหนเธอรู้วันนี้สมควรก็บเวลาห้ามองกว่าแล้วขางไปนี่ไว้ก่อนตอนบ่ายต่อเีกขอความเจริญงอกงามในอริยะเยยธรรมช่ำชื่นด้วยจรณะแห่งเสขขปฏิปทา ตองมากระเบียดแกท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่าน ท, ท, ทุกคนเถิดสาธุสา